FM 96เมกะเฮิรตซ์และก็สถานีวิทยุ ช, ชุมชนมูลนิธิปุญญาพรวัสดภพนาลรามคลื่น FM 90.7 เมกะเฮิรตซ์ Hz, ขนาดนี้ขนาดนี้ได้เวลาอสมควรผมขออรัชนาหลวงพ่อตามวดัดตามวดโชว์ได้โปรดแสดงธรรมนิมัตการครับครับครูบาอาจารย์แฟนสาธารณะนมิกทุกทุกรูปจเจริญพรย้ายยมทั้งหลาย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 สุขประเดี๋ยวประดาวเราลองทบทวนชีวิตของเราดูตั้งแต่เด็กๆมาเราก็ผ่านความสุขมาตั้งเยอะแะในที่สุดทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะวันนี้ยังทุกข์อีกเรื่ความสุขอย่างโรคๆนะประโยชน์อย่างโรคๆอะไรเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่มันดีชั่วคราวมันอยู่ได้ชั่วคราวไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะอยู่กับเราได้ตลอด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 ธาตุขันร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันรองรับความสุขอันมหาศาลของธรรมะนี่ไม่ไหวแปบบลกถ้าความสุขของธรรมะนะั้นมันอยู่กับเรามาได้เลยนะไม่เคยหายกนะี่วันกี่ปีกี่เดือนก็อยู่อย่างนั้นเองนะถ้าเราภาวนาเราก็จะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรานั้นท่านให้ประโยชน์ให้ความสุขประโยชน์ก็ตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นในการดํารงชีวิตนะ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 แต่ใจที่มันบกพร่องเนี่ยใจที่มันไม่เต็มอ่ะใจที่มันดิ้นรนไม่มีความสงบไม่มีสันติใจชนิดนี้ไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานก็เลยไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราไหลาตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปหุ้นายไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงนิพพานไม่มีสวันที่จะเข้าถึงความสงบสันติ ก็ไม่มีวันได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบสันติที่พิเศษยิ่งใหญ่นั้นแต่ถ้าหากเราได้พัฒนาจิตใจของเรานะให้ก้าวเข้าไปสู่สภาวะซึ่งพ้นกิเลสเป็นลําดับลําดับไปนะพ้นจากกิเลสมันก็พ้นความปรุงแตง่งนะพ้นความปรุงแตง่งนะพ้นกาจากความมีตัวมีตนจากความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะพ้นจากขันนะเนี่ยแล้วก็พ้นจากทุก ค่อยๆฝึกนะมันจะพ้นจากกิเลสพ้นจากความปรุงแตง่งว่ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแตง่งมีความปรุงแต่งมันก็มีขันขึ้นมามีขันขึ้นมามันก็มีทุกข์ขึ้นมาะถ้าพ้นจากกิเลสได้ก็พ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยหมดความปรุงแตง่งหมดความยึดถือในรูปธรรมนามทาทำในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจก็ได้รับอิสระภาพเพราะจิตใจเป็นอิสร ะ, ะจิตใจไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใจที่หมดกิเลสนะก็เป็นใจที่หมดภาระใจที่มีกิเลสอยู่เป็นใจที่หิวหิวตลอดเวลามีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากโน่นอยากนี้อยากโน่นอยากนี้ตลอดพอความอยากเกิดขึ้นใจก็เกิดความดิ้นรนใจที่เกิดความดิ้นรนก็ไม่สงบสุขนะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะ้นเราก็เลยไม่เห็นนิพพานแล้วใจเราพ้นจากกิเลสเมื่อไหร่ใจก็พ้นจากการดิ้นรนกลุงแต่ง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 คำสอนของท่านจะครอบคลุมในเรื่องของทุกข์กับความพ้นทุกข์นั่นไม่ใช่หมองโลกแง่ร้ายถ้าบอกว่าชีวิตนี้ทุกข์แบบไม่มีทางออกนี่แหละศาสนาพุทหมองโลกแง่ร้ายนี่ท่านไม่ได้สอนแค่นั้นท่านสอนทุกข์แล้สอนวิธีที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมองโลกแง่ร้ายท่านให้เรายอมรับความจริงมีปัญหามีความทุกข์อยู่จริงๆะแล้วก็สอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์นี้ด้วย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 ไม่ใช่ศีลสองร้อยิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อแล้วก็ทิ้งศีลห้าศีลห้านี่แหละพื้นฐานที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยสําหรับการปฏิบัติะศีลอื่นๆเนี่เป็นศีลของแถมศีลที่เป็นตัวกิเลสล้างกิเลสตรงๆเลยนะตัวศีลห้านี่ตัวสําคัญที่สุดเลยงนเบื้องต้นเรารักษาศีลห้าไว้ก่อนนี่บางคนบอกรักษายากอย่างเลยศีลห้าแค่ห้าข้อก็รักษาไม่ไหวแะ้วรักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รักษาใจ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 แต่ถ้าลังเลสงสัยว่าถนนข้างหน้านี้ชื่ออะไรอย่นี้ไม่เรียกว่าโมหะนะไม่ไม่ ไ, มไมใช่เรียกว่าสงสัยฟุ้งซ่านไม่ใช่นะต้องถ้าถ้ า, ถาความลังเลสงสัยเนี่ยหมายถึงสงสัยในพระ ร, รนะัตนตรัาใะสงสัยของอื่นเนี่ยไม่สงสัยธรรมดาคนคนนี้ชื่ออะไรนี่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตรกูลโมหะให้เราคอยมีสติไว้นะสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวใจเราก็หิวอารมณ์อยากได้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 อย่างโทสะแนละ้วก็มีลูกหลายตัวอย่างอิจฉาความอิจฉาก็เป็นโทสะนะความกังวลใจความกลัวความเกลียดเนี่ยนะเหล่านี้เป็นโทสะนะความจะหนีหวงแหนนี่เป็นโทสะนะเกิดขึ้นมาราคะก็มีหลายตัวนะมีตัณหาอย่างตัณหาความอยากนะมานะความถือตัวนะทิฏฐินี่ก็ตะกูฎราคะ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 ใครไม่รู้จักโ่อบใครใครรู้จักใครรู้จักกลัวใครรู้จักเกลียดนะคำถามมันกลับข้างกันนะเป็นการทดสอบว่าที่ฟังอยู่เนี้ยฟังจริงหรือเปล่าบางคนฟังตาแป๊บๆมีความสุขนะหลวงพ่อมาเทศธรรมะให้ฟังนะไม่ใช่ทอล์คโชว์นะไม่จะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆไม่ได้นะอแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะทุกคนรู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้วนะ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 พูดโดยไม่จําเป็นจะต้องพูดพวกเรามีไหมมีไห ม, มพูดจับโดยไม่จําเป็นต้องพูดนี่ยเยอะมากเลยนั่นสีนะั่ดังพลอยก็พร่องก็แร้งได้ตลอดเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจนะใจมันอยากพูดแล้วเห็นไหมอยากพูดนี่เป็นโลภะนะใจอยากพูดรู้ทันว่าใจอยากพูดแล้วความอยากกลับไปไม่มีธุระก็ไม่ต้องพูดอะไรอยู่คนเดียวสบายสบายนะโทสะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะโทสะมันจะดับไปเองไม่ต้องไปห้ามมันนะ เมื่อไร่มีสติรู้ทันนะเมื่อ น, นั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะนี่ธรรมนิยามชนิดหนึ่งเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลส่ะนั้นเราฝึกให้มีสตินะคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละเรียกว่าเรามีสติอยู่นะความจริงลูกไกายก็มีสตินะรู้จิตก็มีสตินี่คนเมืองเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นเรื่องให้รู้จิตใจเพราะว่าวันวันหนึ่งเรคิดทั้งวันทํางานนะคิดตลอดเวลาเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ะ จะเอาเวลาไปนั่งสมาธิพิจารณากายอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็าทํากรรมฐานแบบคนอนาถาหน่อยนะไม่มีเวลาภาวนาในรูปแบบมากมายนะักทําไปแบบยากจนคือดูลงปัจจุบันไปนะใครสังเกตจิตใจของเราไปเลยจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันะจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงใครไม่รู้จักจิตหลงบ้างจิตหลงมีทั้งหมดหกแบบหลงไปดู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 ราคาเกิดขึ้นที่ใจเคยรู้โทรศาสต์เกิดที่ใจเคยรู้หลงไปแล้วลืมกายลืมใจเคยรู้หลงทางใจเช่หลงไปคิดห <im ulin> ลงไปคิดนี่นหลงทางใจนะขณะที่เราไปคิดเรารู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องที่คิดไหมขณะที่คิดบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องเวลาเรารู้เรื่องที่คิดหรือเราไม่รู้เรื่องที่คิดในะขณะที่คิดนะันเราจะลืมกายลืมใ จ, จตัวเองนี่หลงนะงั้นคนทั้งโลกนี่หลงตลอดวันเลย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 อย่ง ใ, ใจสงสัยเอ๊หลวงพ่อประมวทสอนอะไรบ่ขึ้นงงใครรู้จักงงมีใครไม่รู้จักเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมถามว่าใครรู้จักเฉยไม่รู้จักเฉยอย่า <c> ง <oughs> ใ, ใจมันงงขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจมันงงใจมันสงสัยแล้วความสงสัยจะดับความรู้สึกเนมันจะดับนั้นกิเลสนิวร์ทั้งหลายนะถ้าเรามีสติรู้ทันมันดับเพราะมันดับแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา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 นะมีวิธีทําให้จิตสงบเยแย่เลยคนไหนฟุ้งซ่านเก่งมารู้ลมหายใจนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปให้จิตแนบสงบอยู่กับลมหายใจไม่นานจิตก็สงบนะะนั่นสมาธิเนี่ยทําได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะั้นก็คือมีสติรู้ทันนิวรณ์ไวนะ้อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือหาอารมณ์กรรมฐานนนั้ที่อยู่แล้วสบายนะมาทํา คนไหนประมาทมากพิจารณาความตายนะคนไหนขนะี้โมโหเจริญเมตตานเนี่ยคนไหนขี้โลภพิจารณาปฏิปูลพิจารณาสุภาษณ์อะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจมันก็ค่อยสงบลงมานะนี่แบบหนึ่งนะไปแก้อาการของจิตจิตมันขี้โมโหแก้อย่างนี้จิตขี้โลภแก้อย่างนี้จิตมันฟุง้งซ่านเก่งแก่อย่างนี้แก้แล้วมันสงบนะสงบได้ส่วนวิธีที่เราดูจิตดูใจนะเป็นอีกข้างหนึ่งเลยอ่ะ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 กิเลส ย, ย่างหยาบได้สิ้นนะเราก็จะมีชีวิตที่แปลปกติเรียบง่ายนะไม่วุ่นวายสู้กิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ได้นะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัาจากนั้นเราจะสู้กิเลส ท, ที่ละเอียดที่สุดคือความเห็นผิดความเห็นผิดนี่เป็นสตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะความเห็นผิดเนี่ยมีชื่อไพเราะเพราะจริงไหมคือโมหะหัวโจกของโมหะชื่ออวิชชาใครเคยได้ยินอวิชชาบ้าง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 นึก อ, ออกไหมวันนี้อยากมากี่ครั้งเพิ่งจาก9โมง38นาที33วินาทีเราอยากกี่ครั้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนใช่ไหมพอตื่นปุ๊บอาการเย็นๆอยากนอนอีกหน่อยอมีไหมนั <c> ่น <oughs> นี่ก็อยากแล้วนะเนี่ยไม่เห็นเลยนะอยากนอนอีกหน่อยอจะนอนอีกหน่อยนะเดี๋ยวมาไม่ทันฟังหลวงพ่อประมวท อ, นะ อ, อยากฟังนะอยากฟังนะจะรีบมา จะมาก็กลัวรถติดกออยากให้การจราจรโล่งๆมาแล้วก็กลัวไม่ได้ที่นั่งอยากจะนั่งนั่งไกลๆก็ไม่ดีอยากนั่งใกลๆ้ๆนนั่งใกล้ๆพอมานั่งเผชิญหน้าตัวนี้ชักเครียด <laughs> <laughs> อยากไปย้ายที่นั่งเ <laughs> <laughs> ห็นความอยากนะนานชนิดเลยเห็นไ <laughs> อยากเข้าห้องน้ำเ <laughs> ไมอยากไมอยากกินข้าวเนี่ยความอยากเนี่ยตั้งแต่เช้านับดูมีกี่สิบครั้งแล้ว ความอยากเกิดขึ้นที่ไรและความทุกข์ทางใจเกิดข yeah. ึ้นท really oh ี่นั้นเพราะความอยากเนี่ยบีบค yes, okay ั้นใจของเราไปเรื่อยๆะถ้าเรามีสติรู้ทันไปสี่เราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยปัญหานะเต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอยากโน่นอยากนี่อย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วจิตใจของเราเนี่ยแปรปรวนตลอดนะทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงหรอกเราคอยรู้สึกอยู่ที่ใจของเรานะเราจะเห็นเลยใจเราทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ สุขก็สุขไม่นานนะแต่เราจะรู้สึกว่าสั้นตลอดอยู่แล้วนะความสุขอ่ะความสุขมันจะสั้นเกินไปแต่เวลาทุกข์รู้สึกไหมทุกข์นานเกินไปนความจริงทุกข์ก็ไม่นานนะทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกทุกข์เพคิดเนะี่ยอย่างเราเป็นห่วงลูกเห็นไหมหลวงพ่อพูดคาว่าเป็นห่วงลูกเนี่ยบางคนเริ่มห่ว ง, งจริงๆนล้ว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 เกิดมาทีไรก็บีบคั้นใจของเราตลอดนะใจเราเนี่ยทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้จริงนะอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็สุขชั่วคราวทุก็ทุกชั่วคราวดีก็ดีชั่วคราวร้ายก็ร้ายชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปเราจะเห็นว่าในใจเราเต็มไปด้วยของชั่วคราวนะจะเรียกว่าของชั่วก็ได้ความสุขนี่ก็ชั่วนะเพราะมันน้อยไปความทุกข์ก็ชั่วมันเยอะไป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 เวลาบรรลุพระอราหันต์แล้วชอบตายตายเร็วสังเกตไหมในคำภีมีเยอะหลา ย, ลายองค์ความจริงท่านจะตายอยู่แล้วท่านถึงยอมปล่อยนะท่านใกล้จะตายเต็มบรรดานะ้วโอเอาไว้ไม่ได้แล้วเลยยอมปล่อยวางเนะี่ยของเรานะี่ยค่อยๆฝึกนะอย่าต้องอย่ารอไปจนใกล้ตายแล้วค่อยปล่อยนะเรียนรู้ความจริงลงไปเรื่อยนะ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 จิตที่ทุกเกิดก็ดับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศ ล, เ ก, ศลเกิดระดับทั้งสิ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนถาวรแะ้วไม่อมตะการที่เราเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเนี่ยจะเห็นนะว่าไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าตัวเราถาวรนะความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นมาชั่วคราวแวบๆเวลาหลงไปคิดเท่านั้นเองนะพอเจริญสติจเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ได้ปัญญาขั้นต้นนะ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 แต่จิตกับนิพพานเป็นคนละอันกันนะจิตไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่เที่ยงนะจิตเป็นทุกข์นะจิตเป็นอนัตตาแต่นิพพานเป็นอนัตตานะอนัตตาเหมือนกันแต่เที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนิพพานไม่มีเจ้าของแตจิตกับนิพพานเป็นคนละอันกันเพียงแต่ว่าจิตที่พ้นกิเลสพ้นตัณหาไปนั้นนะมันไปแจ้งพระนิพพาน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 ความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งนี่แยกออกไปอีกแล้วจะเห็นเลยแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เราเรียกว่าขันนั่นเองแต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราแต่ละขันไม่มีตัวตนถานวอนอย่างนี้ได้เป็นพรผสมดับันดูลงไปอีกแต่ละขันแต่ละขันนั้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยะแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะดูลงอย่างนี้นะเห็นไตรลักษแจ้งให้มา ก็จะหมดความยึดถือในขันเมื่อไรหมดความยึดถือขันก็จะเป็นพระระหันธ์นะชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดเลยไม่รู้ว่าอะไรจะเหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อบางองนะไปหาท่านนะไปถึงแนละ้วท่านพิการเลยนะตอนนั้นอย่างหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตนะพิการนั่งบนรถเข็นะไปไปอยู่กับท่านแนละ้วท่านมาโอ้สุขแท้นอสุขแท้นอ เราดูท่านสุขได้ไงนาะท่านไม่สบายขนาดนั้นนะเลยครูบาอาจารย์นหลวงปู่สิมหลวงพ่อเป็นลกศิษย์หลวงปู่สิมมาทางนี้ต้องไปหาหลวงปู่สิมนะว่าดูท่านมีความสุขอย่างไรใครเห็นหลวงปู่สิมมีความทุกข์มั้งทุกข์กายมีนะแต่ทุกข์ใจไม่มีเห็นไหมจิตที่ฝึกดีแล้วนะนําความสุขมาให้นะเัราพวกเราฝึกจิตฝึกใจแล้วเรามีสติรู้ท่านจิตไปเรื่อยๆนะ จะเกิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องปลายเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะ้วปล่อยวางแล้วก็พ้นทุกข์ไปเนะนี่ยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะขาดสติไม่ได้สักอย่างเดียวเลยสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจนะอนะพอสมควรนี่ยเขาให้เทศชั่วโมงหนึ่งเทศได้ขาดไปอีก 4ี่นาทีห0สิบวินาทีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะมีถามกี่คนครับเชิญท่านแรกเลยครับมีกี่ท่านนะ่ะหลวงพ่อจะได้กะเวลาทั้งหมดสิบท่านครับสิบเหรอสิบห้าท่านครับสิบห้าครับวามาเอาท่านที่หนึ่งวไวนะเดี๋ยวหลวงพ่อกลับนับพิการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง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 เวลาต้องการสมาธิสักทีก็จะถอดหายใจแล้วลืดๆแล้วก็สีห้าครั้งแล้วก็เกิดสมาธิแล้วท่านอาจารย์คิดว่ามีอะไรจะแนะนําโยมอีกต่อไปไหมคะเวลาที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจนะจิตต้องอยู่ต่างหากจิตต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่ดูร่างกายแล้วจิตเราไหลไปแนบอยู่ที่กายนะถ้าดูอย่างสมมติเราเห็นร่างกายหายใจอยู่างนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา มันจะรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งโดยไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาไวนะ้ถ้าประคองรักษาไว้จิตยังอึดอัดอยูนะ่จิตที่เป็นกุศลแท้ๆนี่จะโปร่งโล่งเบานะถ้าอึดอัดมาก็ยังไม่ดีอาจารย์หมายถึงว่าให้จิตตามรู้เหรอคะไม่เวลาจิตไปรู้ไกนะรกนนมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินนะ มันจะเห็นเหมือนเห็นคอนอื่นเดินเลยเนะี่ยยกพยักหน้านะมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้านะเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันถอนออกมาแล้วจะ <cần. S 1> ต้องอยู่อย่างนี้นะ อ, อย่างตะกี้ไม่ได้หรอกตะกี้จิตมันแนบลงไปในกายถ้าจิตแนบลงไปในกายนะมันเหมือนเรายือนอยู่บนบกอ่ะอยู่ริมแม่น้ําปิงเหรอเห็นกระทงลอยมาเนี่ยสวยนี่ชอบนะโดดลงไปเปื่อมีสตังโดดซุบ <c oughs> <c oughs> ลงไปในน้ําลอยไปกับกระทง อ, อ, อ, อย่างนี้ไม่ได้จิตเราไหลลงไปแนบแ น, นวรมจิตเราต้องอยู่บนบกนะ เห็นสิ <palm itting and plets> ่งต่างๆไหลมาไหลไปไหลมาไ้ลไปเราอยู่บนบกนะอย่าให้จิตถลําลงไปในกายนะของโยมจุดที่มีปัญหาอยู่คือจิตมันชอบถลําลงที่กายไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตัวนี้ให้มากอต้องพยายามแก้ตรงนี้นะคะอให้รู้ทันจิตที่ถลําลงไปมันจะถอนขึ้นเองอย่างพอบอกโยมปุ๊บโยมหลุดออกมาแล้วไม่ออกไหมค่ะบขอบพระคุณค่ะท่านที่สองกราบนมัสการพระอาจารย์ประโมท ที่เคารพอย่างสูง hmm. อยอมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์มานานประมาณสามปีกว่าค่ะก็ได้ตามดูดูจิตส่วนมากจะมักจะเป็นการดูจิตค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนวิตกจริตค่ะ hmm. ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการดูกายแต่เมื่อกี้ที่พระอาจารย์ บุกดาถามก็พอจะเข้าใจในวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้มันมันมันจะแบบเดียวกันนะเวลาเราดูกายนะมันเหมือนจิตเราอยู่นี่นะให้กายทำงานไปกระทั่งเวลาดูจิตนะคนดูอยู่ต่างหากเห็นกิเลสอยู่ต่างหากเนี่ยคนดูอยู่ต่างหากเห็นสุขเห็นทุกข์อยู่ต่างหากนะจะแยกขันธ์เอาอปีกใจก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง ใครดูไปไม่มีอะไรคงที่เลยกระทั่งตัวจิตก็ไม่คงที่อย่าตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมแล้วจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะฝึกเรื่อยๆแล้วไงอีกโหยยมตื่นเต้นอ่ะยมนลยไปเพ่ะนิ่งเลยนะไม่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอะไรเป็นเป็นวันที่รอคอยมานานอยากจะมาพบลงนี่แหละปล่อยอย่างเนี้ยนะปล่อยอย่างเนี้ยแล้วแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่นี้เอง นะไม่ใช่เพ่งจ้องไว้นิ่งๆรอดูอย่างนี้ไม่ถูกหลักของการดูจิตเนี่ยต้องดูถูกในสามกาละสามการก่อนดูนะอย่าอยากดูแล้วถลําลงไปรอดูไปดักไว้ระหว่างดูอย่าอยากรู้ให้ชัดถ้าอยากรู้ให้ชัดจะกระโดดลงไปเพ่งนะรู้แล้วไม่แทรกแสงนะอย่าหลงยินดียินไายถ้าหลงยินดียินไายจะเข้าไปแทรกแสงเช่นเห็นกิเลสก็หาทางแก้เห็นกุศลหาทางรักษา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 ยังเพ่งอยู่หน่อยนึงเอาตื่นเต้นนึกออกไหมยิ้มทีหนึ่งยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเลยเนี่ยตรงเนี้คลายออกแล้วรู้สึกมไหม อ, อแล้วรู้สึกตัวไป เ, เชิญท่านที่สามตามน้ำส ก, ก้าหลวงพ่อครับพอดีช่วงนี้คือเคยมีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ก็ฟังซีดีมาแล้วก็พอดีช่วงนี้ป่วยก็เลยมีโอกาส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 ดูไม่ออกครับสังเกตไหมมันคล้ายๆใจเราโปร่งๆโล่งๆไปอยู่นอกๆกว้างๆออกไปนะมันไม่ยอมมาดูทุกข์ลวมันหนีทุกข์นะอย่างกายนี้เป็นทุกข์มากนะมันไม่ค่อยจะยอมดูใจมันจะกระจายหนีออกไปยัยอมหนีนะพยายามทวนกลับเข้ามารู้สึกกายดูที่กายนี้มีแต่ทุกข์ล้นลนเลยพยายามดูอย่างเนี้ยดูด้วยใจที่เข้มแข็งนะ ค, ครับดูไปเรื่อยๆออคําแล้วแบบว่าเวลาดูมันจะดูแบบแค่แบบๆแล้วผมก็จะแบบว่า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 ดูออกไหมดูจิตไม่ออ ก, กดูกาไปนะขนาดที่ดูกายก็ดูกาย อ, อ่าต่อไปนมรมส ก, การท่านอาจารย์ประโบศประโบโชนะครับผมได้รับหนังสือของท่านสมัยท่านเป็นเธอวาดอยู่นะครับเป็นวิมุตติแล้วก็มีญาติอมีหลานกระโตมาให้อีกนะครับเป็นวิมุตติปฏิปทา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 สักสองเดือนเนี่ยเพื่อนชื่อสุเบนจาก็บอกผมว่าหลวงพ่อจะมาเทศทชี้เชียงใหม่แะก็ขอผมตอนนั้นผมเอ่อผมเคยเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้แล้วก็ดูแลเรื่องห้องประชุมนะฮะก็บอกว่าอยากจะขอห้องประชุมเพราะว่าที่มจไม่ว่างผมก็มันมีห้องเล็กประมาณสามร้อยก็บอกไม่พอห้องใหญ่ก็ประมาณหมื่นนะฮะก็ใหญ่ไปนะครับแล้วก็อยู่ไกล หึ่งผมก็ขออนุญาตอธิการเรียบร้อยท่านก็บอกให้ก็เราก็มาบอกว่าที่พุทธสถานเนี่ยเป็นที่พอดีพอดี อ, ดอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าที่จอดรถมันยากหน่อยแล้วก็ก็กมาจัดอยู่ตรงนี้และผมได้มาเป็นสตาฟเนี่นะครับโดยที่ไม่รู้จักญาติญาติทำเลยนะครับนู่มาประชุมกันวางแผนในการเตรียมการทางนี้อย่าง อย่างแบบอย่างดีครับทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยซึ่งผมก็มีกิเลส น, นะครับแทนชาวเชียงใหม่นะครับว่าอยากจะขอนิ่มนตท่านอาจารย์มาเชียงใหม่บ่อยๆนะครั บ, บเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปที่ชนบุรีนะครับไปก็ลาบากนะฮะนอกจากบางท่านนะครั บ, บ, บก็เลยอยากจ ะ, อะขอ เมตตาจากอาจารย์ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็รู้นาเดนะขอโทษนะครับที่ลูกของใครร้องอ้าวว่าไงโยมครับแล้วก็พอดีอคุณสมบูณจาเลียก็ให้ที่ดีผมนะครับผมก็ประเอนว่าผมเป็นหัวหน้าฐานีวิยุ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 ก่อนหรือเปล่าก็บอกไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกที่ฟังแล้วก็ง่ายดีเข้าใจดีก็ผมเลยเล ย, เลยมีกิเลสนะว่าอยากจะขอถ้าพระอาจารย์เนี่ยได้กรุณาเมตตาคนเชียงใหม่ได้ถ้ามีเวลาก็ขอให้มาเทศที่เชียงใหม่บ่อยๆนะครับเอารายการเทศที่เชียงใหม่ครั้งต่อไปเร็วๆนี้เองนะครับสามสิบเอ็ดมกราสองห้าห้าสี่ครับ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 จะปฏิบัติต่อไปอย่างไรตามนั้นให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะขั้นแรกเลยน ะ, จะเจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนขี้โมโหนะงัะะ้นเราเจริญเมตตาไปเรื่อย ใ, ใจเราจะร่มเย็นขึ้นมาพนะยายามดูคนอ่นนะรู้สึกเขาน่าสงสารหน้าเห็นใจอะไรเงี้ยมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรไหมพอใจเราสงบใจเราร่มเย็นขึ้นมานะเราก็มามีสติคอยดูจิตใจของเราต่อไปนะ แล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกนะเช่นไปปาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะไปทําความสงบนะด้วยการเจริญเมตตานะถัดจากนั้นเนี่ยดูกายที่ทํางานไปเรื่อยๆนะแล้วด้วยใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานะไปฝึกอย่างนี้นะนะคนต่อไป กับนร บ, บนนัพตหลวงพ่อนะคะตอนนี้เตือเมเต็มไม่ไมีโอกาสฟังเสของหลวงพ่อประมาณสี่เดือนมาแล้วนะคะแล้วก็พยายามใหจะปรับที่จะเข้ามาใช้กับตัวเองนะคะตัวเองเป็นคนที่มีมงหาเยอะมากแล้วก็โทสะเยอะด้วยนะคะตรงนี้ก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวพอพอลู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะเลยแล้วก็รู้สึกว่ากดตัวเองแล้วก็ ให้รู้ทั น, นนะให้รู้ทันว่าเข้าไปเกาะ อ, อยู่ไปกดอยู่อยากจะให้พ้นออกมารู้ว่าอยากนะรู้ลงปัจจุบันรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางไปด้วยทำไมถึงเข้าไปเกาะเพราะอยากรู้ให้ชัดนั้นให้รู้ทันใจที่อยากนะพอความอยากดับไปมันก็ไม่เข้าไปเกาะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะอ้าวต่อไปกราบดังิการพระอาจารย์กีบุชาอย่างยิ่ง กระผมได้ฟังดีๆของท่านจิตมันมีปิติจิตมีปิติให้รู้ทันว่ามันมีปิตินะให้รู้ลงปัจจุบันไปถ้าเรารู้ไม่ทันนะปิติก็ครอบงําจิตได้นึกออกไหมครับผมเออนะรู้ลงไปซื่อๆเลยจิตมีปิติได้อ่านๆฟังดีๆแล้วก็อ่านหนังสือของท่านมามประมาณหนึ่งปีก็เจตือนอืมไม่ทราบว่า ก, การดูหรือการปฏิบัติของผมนี้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 เนี่ยเราค่อยรู้นะสิ่งที่ต้องลดลงไปคือการเพ่งให้นิ่งตอนไม่เจอหลวงพ่อเพ่งแบบนี้ไหมไม่เพ่งเออไม่เพ่งใช้ได้นะ <laughs> ถ้าเพ่งอยู่นี้ทั้งวันเราตายเหนื่อยนะเนี่ยรู้แต่อย่างนี้อย่างที่ทํานี้แหละนะรู้สึกไปแล้วถึงเวลาไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทําได้ต้องทํานะการทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนี่จะทําให้จิตมีพลังจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้น ถ้าไม่ทำเลยไม่ฟุ้งภาวนาลำบากครับครับขอบคุณครั บ, รบอะคนต่อไปค่ะตอนนี้ก็มีเหมือนมันกดๆไวนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าตื่นเต้นไหมเข้ามาใกล้ก็มันตื่นเต้นไหมหรือตื่นเต้นยังต้อง<笑><笑>ต้องพูดให้คนอื่นได้ยินก็ <c oughs> ตื่นเต้นแบบไม่รู้เพราไมมันเข้ามาใกล้พี่เขาก็ตื่นเต้นแล้วเยี้ยค่ะยังดีนะไม่วิ่งหนีไป <c oughs> ก็ไม่มีอย่างอื่นนะคะก็ดูไปตามปกติแต่ว่าบางทีมันจะรู้สึกแบบถ้าแรงๆถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีใหม่ๆเป็นอย่างนั้นใหม่ๆนะต้องความรู้สึกที่แรงก่อนถึงจะรู้เราจะช่วยมันนะหาวิหารธรรมไว้อันนึงให้จิตอยู่คือหาบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่ ก, กับการรู้ท้องฟองยุบอะไรก็ได้นะอะไรสักอย่างหนึ่งจะอยู่กับการขยับมือทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็ได้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 เราจะปฏิบัติอะไรอย่างค่ะมันจะมีความตั้งใจแรงมากให้รู้ทันนะแล้วมันจะเข้ามาแบบคืออึดอัดเข้ามานะคะพราะฉะนั้นโลภะเกิดให้เรารู้ทันว่าใจมันอยากแล้วถ้ารู้ทันต้นทางคือความอยากนะความอยากครอบงําจิตไม่ได้ก็ไม่เพ่งหรอกเนี่ยของคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านน่ะรู้สึกไหมเข้าไปเพ่งอีกแล้วอย่าไปเพ่งเลยที่อึดอัดอ้าเอาไม่ส่งไป ยิ่งไม่ห่างไปนะคนที่ตัวแข็งก็จะคล <ใน S 2> าดนะมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะผมไม่มีใครไม่ตื่นเต้นถ้าต้องได้ <c oughs> พูดกับหลวงพ่อเจ้าค่ะเอางั้นเหรอนยมยมจะส่งกันบ้านเจ้าค่ะคือการปฏิบัติของโยมนี่การดูกายนี่ก็จะรู้สึกว่าเอาเริ่มมองเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวของผู้อื่นเริ่มมองดูการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าถ้าการดูเจตนี่ยมจะรู้สึกว่าช้าแล้วก็ไม่ละเอียด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 ขณะนี้ก็ยอมรับว่าพอจะถามท่านก็เกิดใจเต้นแรงมากนะคะโ อ, อ้ถ้างั้นหลวงพ่อถามโยมคแล้ะกันค่ะโยมฟังมาปีกว่า<ช>ได้อะไรบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็เ อ, อเคยศึกษาด้านนี้มาพอสมควรนะเจ้าคะ่ะก็เวลาที่จะถามหลวงพ่อคือขณะที่สติเกิดทางทวารใดทวารหนึ่งหรือว่าดูจิตตัวเองแล้ว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 อีกข้อหนึ่งจะเรียนถามว่าผมควรจะมีวิหารธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็ถ้าทําความสงบนะก็จะเจริญเมตตาบ้างนะแล้วก็ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาไปเนี้ยของคุณดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วพอจิตมันไปคิดเนี้ยรู้ทันเรานะเนี่ยเห็นร่างกายไปยักหน้าไหมครับนะเห็นร่างกายไหวนะแล้วจิตไปคิดแป๊บรู้ทันแป๊บรู้ทันนะดูทั้งกายดูทั้งจิตแหลนะ ก็าะจริตนิสัยมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทางใดทางหนึ่งมันมีทั้งสองทางครับครับขอบคุณครับกับ น, นมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือจะขอแป๊บหนึ่งคนที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จจิตหนีไปไหนเล้ให้รู้ทันนะใช้ได้ะจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคะว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วหรอยังถูกแล้วล่ะ นะไปดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจ น, นะอโ <ฮะ S 1> งวแหงขี้เกียจไปนิดนึงไปจิตไปคล้องอะไรหรือเปล่าค่ะือจิดไปติดอะไรหรือเปล่าไม่ติดแต่ว่าแรงมันน้อยเป็ต้องทําสม่ําเสมอ น, น, นะอรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงใช่ค่ะ <c oughs> ใช่สิไม่หลอกหรอกเพราะฉนั้นทําสม่ําเสมอ น, นะทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ดูจิต ด, ดูใจมันทํางานนะ <c oughs> ต่อไปใจจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้น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 ต้องค่อยๆแก้ตัวนี้ให้ตกนะอย่าเพง่งถ้าเพ่งนะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งถ้ากายนิ่งจิตนิ่งแล้วมันจ ะ, สะแสดงไตรักณได้ยังไงนะมันนิ่งไปหมดดูมันเคลื่อนไหวไปอย่าไปเพง่งนะเอ้าเชิญโยมผู้หญิงคได้ฟังซีดีมาประมาณปีเศษแล้วก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อหลายเล่มคะ่ะแล้วก็ตามรู้ตามดูช่วงแรกที่ดูก็จะเห็นกิเลสตัวเองเยอะมาก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 ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่ปรุงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่สหะเวลาเขาแยกก็ช่างเขาแยกก็ดีเวลาเขาไหลไปรวมรู้อ่ไหลไปรวมอย่ายากแยกถ้า อ, อยากให้แยกออกนะมันจะไม่ยอมแยกอีกเลยค่ะ อ, อยากเห็นอีกนั่นแหละมันอยากความอยากมันบั่อยหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเออเออฮะดูดูไม่ค่อย น, นแหละไ ม, ไม่ไม่ค่อยเ ห, ห, ห็นอะไรเท่าไหร่มาเป็นหลายเดือนนะฮะมันมันเหมือนไม่จิตเหมือนอย่างนี้เลยจิตเหมือนตอนนี้ไหม ตอนตอนนั้นไม่ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือใช่ไอ้ที่ว่าเออเ อ, อหลายเดือนอ่ะมันไม่ใช่ค่ะตอนนี้ช่วงระยะนี้จะไวขึ้นค่ะแต่มีอยู่เวลาที่มันยังมีเขาของความเออเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นโยมพยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดขึ้ น, นะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวให้มันคมชัดกว่านี้นิดนึง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 อ่ะหมดแล้วยังมีอีกไหมได้กี่คนแล้วเราพก็ลืมไปเมื่อวันจันเทศภูพิงค์นะเขาบอกมีสิบคนแต่เราก็ถามไปเรื่อยๆรื่อเราก็ลืมนะมันไปสระ บ, บุรีมาเขาก็มีไม่กี่คนนะที่นั่งรออยู่เสร็จแล้วก็ยกกันทั้งห้องเลยแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวต้องไปรีบไปขึ้นเรือบินอ่ะพึ้นารการท่านอาจารย์รมทครับก็ผมได้ อฟังธรรมะของท่านอาจารย์มาประมาณสองเดือนเศษซึ่งก่อนหน้านี้นี่ฟังจากไกลๆวิทยุของสถานีของวัดท่าพระสุเทพพอฟังก็รู้สึกว่าธรรมะของท่านอาจารย์จะถูกถลิตในปากไปาบก็ไปคนในเว็บไซต์เอาแค่เล็กๆไปอัดในเว็บไซต์มาได้มาประมาณสามมวนก็ไม่เปิดฟังท่านอาจารย์สอนในนั้นว่าวิธีการจเจริญ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 พุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธรู้ว่าจิตลงไปแล้วเดี๋ยวมาพุทโธอีกพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดอีกรู้อีกพุทโธไปพุทโธไปจิตซุมๆอย่างตอนนี้จิตน้อมไปหาความซุมแล้วอย่าน้อมไปแบบนี้นะพุทโธไปด้วยความรู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจเองแต่พอมันเกิดความรับรู้ขึ้นมาแล้วมันเกิดสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่รู้นี่รู้จริงหรือรู้ไม่จริงเนี่ย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 สติก็ไม่ค่อยเกิดค่ะเคยไปที่ปฏิบัติเดยชื่อนะเดี๋ยวปฏิบัติว่าไปเคยไปปฏิบัติที่วัดหลงพ่อครว่าสองปีที่แล้วงั้นเอ่ยได้เนึ่องจาไปปฏิบัติวัดโนนวัดนี้แล้วจะบอกว่าวัดเขาไม่ได้นะค่ะแต่ละที่เขาก็ดีของเขาแหละแล้วไงะอนนั้นตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้หนูดูจิตไปเลยเพราะว่าคิดเยอะคิดเยอะเกินนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงออกไหม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 ทำตัวให้เป็นนางปักหน่อยเวลาที่โกรธก็คือหนูก็ยิ้มอยู่แหละแต่ว่าคําพูดเนี่ยรู้ตัวแล้วว่ามันมันหลับแนเล็กน้อยปรับปรับซะหน่อยนะจะได้ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเวลาที่อีกนิดเดียวค่ะคือเวลาที่นั่งเงียบๆนะคะบางทีมันเห็นอย่างเช่นเออ่เห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นในใจมันเคลื่อนเคลื่อนไปเฉยๆไงค่ะน่าดูห่างๆนะอยากไหลตามมันไป ทำตัวเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจไหลาตามมันไปดูอย่างนี้เรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยใจไหลามาที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทั้งรู้ค่ะฮะเพิ่งรู้ตอนบอกเพิ่งรู้เมื่อบอกอยังดี <c oughs> บางคนบอกแล้วยังไม่รู้เลยหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหลวเพื่อนแะม่ไปตั้งเยอะแล้ ว, ลวไปทําต่อจำไว้นะพูดให้ช้าลงพูดเปลาะเปลาะไว้อ้าต่อไปต้องประกอบด้วยเมตตานะ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 แต่อย่าให้ซึมนะจิตตอนนี้ซึมเกินไปค่ะอ่ะคนต่อไปเร็วเร็วทับกันมันคือเรือบินไม่ทันเคยไปเคยไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตติดสมถะนะครับก็เลยอยากถามว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังแล้วดีขึ้นแล้วครับปฏิบัติอยู่เนี่ยดูกายดูใจอ่ะนะครับแล้วที่ดูเนี่ยถูกต้องไหมถูกแล้วครับดูบ่อยๆนะครับเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเมื่อกี้อยากส่งใหม่แล้เห็นไหมแล้วก็รู้ทันอ้าวต่อไป การนักสการ์หลวงพ่อครับผมผมฝึกดูจิตดูนี่บางครั้งนี่เห็นโทสะโมหะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางครั้งมันก็โชกบางครั้งมันก็เนือยๆหน่อยก็ดับแล้วก็บางทีก็จะไหลออกไปอมบางครั้งก็ไม่รู้อะไรไหลออกไปปุ๊บแล้วก็ดับอออย่าดึงก็แล้ดนเห็นมันไหลออกไปแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้วครับผมผมอยากถามหลงก็สติตัวจริงผมเกิดเลยยังครับ